ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก2เกาะชายสังฆิพระพุทธเจ้าอย่างไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าภิกษุจับชายสังฆิตามหลังย่างเท้าตามทุกก้าวแต่เธอมีความละโมบมีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาท มีความดมริแห่งใจอันเป็นโทษลืมสติไม่มีสัมปัชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุนั้นก็ยังอยู่ไกลเราโดยแท้และเราก็อยู่ไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรม ผู้ไม่เห็นธรรมย่อมไม่เห็นเราในที่นี้คําว่าธรรมคือธรรมะนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าภิกษุนั้นอยู่ไกลตั้งร้อยโยต์แต่เธอไม่มีความละโมบไม่มีความติดใจแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตไม่พยาบาทมีความดําริแห่งใจอันไม่เป็นโทษมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวสำรวมอินทรีย์พิกษุนั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้และเราก็อยู่ใกล้พิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพิกษุนั้นเห็นธรรมผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเราข้อความจากอิติวุตกะ สศัตรูภายในดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนฑินภายในอมิตรภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในสามประการได้แก่โลภะความโลภโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงดูก่อนภิกษุทั้งหลายมณฑินภายใน ธรรมิตรภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในสามประการนี้แลข้อความจากอิติวุตกะสอาคามีคือผู้มาเกิดอนาคามีคือผู้ไม่มาเกิดอรหันต์คือผู้ไม่มีกิเลส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะประกอบด้วยภาวะโยคะย่อมเป็นอาคามีมาสู่ความเป็นอย่างนี้ผู้ไม่ประกอบด้วยกามโยคะแต่ยังประกอบด้วยภาวะโยคะย่อมเป็นอนาคามีไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ผู้ไม่ประกอบด้วยกามโยคะไม่ประกอบด้วยภวะโยคะ ยอมเป็นพระอระหันต์ผู้สิ้นอาสวะข้อความจากอิติวุตกะหมายเหตุกามโยคะคือเครื่องมัดสัตว์คือการความใคร่ภวะโยคะคือเครื่องมัดสัตว์คือพบความพอใจในความมีความเป็น 5. ภิกษุ ผู้มีกัลยาณศีลคือศีนอันดีงามกัลยาณธรรมคือธรรมหรือธรรมะอันดีงามกัลยาณปัญญาคือปัญญาอันดีงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกัลยาณศีลกัลยาณธรรมกัลยาณปัญญาย่อมเป็นผู้เสรษฐุระอยู่จบโรงมจรรย์ในพระธรรมวินัย เราเรียกว่าอุดมบุรุษภิกษุเป็นผู้มีกัลยาณศีลคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมในปาติโมกคือศีลที่สำคัญของภิกษุสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือมารยาทและการไปแต่ในที่ที่สมควรเห็นภายในโทษเล็กๆน้อยๆสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเธอชื่อว่า มีกัลยาณศีลดังกล่าวมานี้แลภิกษุผู้มีกัลยาณศีลดังนี้แล้วจะชื่อว่ามีกัลยาณธรรมอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ประกอบเนืองๆซึ่งการอบรมธรรมอันเป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้37ประการอยู่เธอชื่อว่ามีกัลยาณธรรมดังกล่าวมานี้แล สำหรับข้อนี้คือโพธิปัจกิยธรรมธรรมหรือธรรมะอันเป็นไปในปลายแห่งการตรัสรู้สาประการคืออิทิบาสีธรรมหรือธรรมะที่ให้ประสบความสําเร็จสติปัฐานสการตั้งสติส ม, มัปปทานสี่ความเพียรชอบอินรีห้าธรรมะอันเป็นใหญ่ภละหธรรมะอันเป็นกําลัง โทชงเจ็ดธรรมะอันเป็นตัวประกอบแห่งการตรัสรู้มักแปดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกภิกษุผู้มีกัลยาณศีลกัลยาณธรรมดังนี้แล้วจะชื่อว่ามีกัลยาณปัญญาอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่เป็นอาสวะ ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนในปัจจุบันอยู่เธอชื่อว่ามีกาลยานปัญญาอย่างนี้แหลภิกษุผู้มีกา ร, รยาณศีลกายานธรรมกา ร, รยาณปัญญาดังนี้แล้วชื่อว่าเศรษฐุระอยู่จบพรหมจรรย์เราเรียกว่าอุดมบุรุษข้อความจากอิติวุตกะสำหรับเจโตวิมุต คือความหลุดพ้นเพราะสมาธิปัญญาวิมุตต์คือความหลุดพ้นเพราะปัญญา 6. กองกระดูกเท่าภูเขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลคนหนึ่งที่เวียนว่ายท่องเที่ยวไปตามกับจะพึงมีกองกระดูกใหญ่เสมือนหนึ่งเวบุญละบันพจนี้ถ้ามีผู้คอยรวบรวมไว้ และกองกระดูกที่รวบรวมจะไม่กระจัดกระจายหายเสียข้อความจากอิติวุตกะ 7. ยังพูดปดทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่รู้จะไม่ทำชั่วอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลยังไม่ละธรรมหรือธรรมะข้อหนึ่งคือการพูดปด ทั้งงรู้เราย่อมเมฆกล่าวว่ามีบาป ก, กรรมอะไรบ้างที่ผู้นั้นจะทำไม่ได้ข้อความจากอิติวุตกะ 8. มูลรากแห่งอกุศลสามอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลรากแห่งอกุศลสามอย่างเหล่านี้คือหนึ่งโลภ ความอยากได้เป็นมูลรากแห่งอกุศล 2. โทสะความคิดประทุษร้ายเป็นมูลรากแห่งอกุศล 3. โมหะความหลงเป็นมูลรากแห่งอกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายมูลรากแห่งอกุศลสามอย่างเหล่านี้แหลข้อความจากอิติุตตกะ 9. พระธรรมเทศนาสองอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุธทธเจ้าสองประการมีอยู่โดยปริยายคือธรรมเทศนาที่หนึ่งว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปเถิดธรรมเทศนาที่สองว่าท่านทั้งหลายเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้ว จงเบื่อหน่ายคลายความติดในบาปนั้นจงหลุดพ้นไปเถิดนี้คือธรรมเทศนาสองอย่างของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่โดยปริยายข้อความจากอิติมุตตะสำหรับคำว่ามีอยู่โดยปริยายคือมีอยู่โดยอ้อมไม่ต้องบอกกันตรงๆก็ชื่อว่ามีอยู่แล้ว Blue 10. อะไรเป็นหัวหน้าอกุศลธรรมและกุศลธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาหรือความไม่รู้เป็นหัวหน้าแห่งความพร่างพร้อมด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ละอายใจความไม่เกรงกลัวต่อบาบย่อมตามหลังมาวิชชาหรือความรู้เป็นหัวหน้าแห่งความพร่างพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลาย ความละอายใจความเกรงกลัวต่อบาปย่อมตามหลังมาข้อความจากอิติวุตกะสำหรับอวิชชาความไม่รู้มีคำอธิบายว่าได้แก่ไม่รู้ทุกเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกและข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกในที่นี้แม้ไม่รู้ทั่วๆวไปก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ 11. ออริยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่เสื่อมจากอริยปัญญานั้นชื่อว่าเสื่อมแท้เขายอมอยู่เป็นทุกข์มีความติดขัดมีความครับแคนมีความเดือดร้อนในปัจจุบันสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีทุกขติเป็นที่หวังได้สัตว์ที่ไม่เสื่อมจากอริยปัญญานั้นชื่อว่าเสื่อมเขายอมอยู่เป็นสุข ไม่มีความติดขัดไม่มีความคับแค้นไม่มีความเดือดร้อนในปัจจุบันสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีสุขคติเป็นที่หวังได้ข้อความจากอิติวุตกะ 12. คําคำอธิบายเรื่องตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกอันตถาคตตรัสรู้แล้ว ตถาคตปลีกออกได้จากโลกเหตุให้โลกเกิดอันตถาคตตรัสรู้แล้วตถาคตละเหตุที่ให้เกิดโลกได้ความดับแห่งโลกอันตถาคตตรัสรู้แล้วตถาคตทำให้ความดับแห่งโลกแจ่มแจ้งแกตนได้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกอันตถาคตตรัสรู้แล้วตถาคต ได้อบรมข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวดามารรมที่ประชาพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งเทวดาและมนุษย์เห็นแล้วได้ยินแล้วทราบแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วตรองตามแล้วด้วยใจเพราะเหตุที่สิ่งนั้นๆอันตถาคตรัสรู้แล้วจึงเรียกว่าตถาคต ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดนิพพานแล้วด้วยอนุปาริเศ ส, สนิพพานธาตุในราตรีใดข้อความทั้งหลายที่ตถาคตกล่าวผู้แสดงระหว่างราตรีนั้นๆคือตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงนิพพานย่อมเป็นอย่างนั้นเทียว ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตพูดอย่างใดทำได้อย่างนั้นทำได้อย่างใดก็พูดได้อย่างนั้นเพราะเหตุที่พูดได้ตามที่ทำทำได้ตามที่พูดฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเป็นใหญ่โดยคุณธรรมไม่มีใครครอบงำได้โดยคุณธรรมรู้เห็นตามที่แท้จริงเป็นผู้มีอำนาจโดยคุณธรรมฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตข้อความจากอิติวุตกะหมายเหตุจากหนังสือสำหรับคำว่าทราบแล้วในข้อความนี้เป็นสำนวนบาลีหมายถึงรู้ด้วยจมูกลิ้นกาย คือข้อความในตอนนี้ต้องการจะพูดว่าเห็นด้วยตาฟังด้วยหูดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายรู้ด้วยใจแต่รวมสามเรื่องตอนกลางด้วยคำว่าทราบ 13. ภิกษุกับเข้ารือหัดถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พราหม์เครหะบดีที่อุปถากท่านทั้งหลายด้วยจีวรบินทบาทที่อยู่อาศัยและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคนับว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแม้ท่านทั้งหลายที่แสดงธรรมอันดีงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหม์คหะบดีเหล่านั้น ก็นับว่าเป็นผู้มีอุปการะมากนี้แหละภิกษุทั้งหลายพรมจันท์ที่ประพฤติโดยอาศัยกันและกันเพื่อถอนกิเลสอันเปรียบเหมือนอ้วงน้ำเพื่อทำให้ทุกข์สิ้นไปโดยชอบข้อความจากอิติวุตกะสิบสี่ 14. สกุลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุดบุดบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีพระพรมภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุดบุดบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีเทวดาคนแรกภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุดบุดบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีอาจารย์คนแรก ภายในเรือนแห่งตระกูลใดบุตรบุตบูชามารดาบิดาตระกูลนั้นชื่อว่ามีบุคคลผู้ควร น, นำของมาบูชาคําว่าพระพรมคําว่าบูรพเทวดาหรือเทวดาคนแรกคําว่าบูรพาอาจารหรืออาจารย์คนแรกคําว่าอาหุเนยยะคือผู้ควร น, นำของมาบูชาเป็นชื่อของมารดาบิดา เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้คุ้มครองเลี้ยงดูบุตรแสดงโลกนี้แก่บุตรข้อความจากอิติอุตตกกหมายเหตุผู้อา่านต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านไว้หนที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากหนังสือมีการหมายเหตุและวงเล็บต่อท้ายแต่ละคำไว้เยอะมากดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกล่าวให้เป็นประโยคเดียวกันเพื่อให้ผู้ฟังฟังแล้วไม่สะดุดฟังและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาจริงจังกรุณาหาหนังสือของจริงมาอ่านอีกทีนะครับเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้น